ครูหนึ่งท่านก็ลืมตาขึ้นมาตอบว่าขอให้หันมาฝึกปฏิบัติธรรมเถอนะและจะรู้ว่าเรานะ่ะเป็นใครหน้าแปลกอะไรบางอย่างในน้ำเสียงหนักแน่นเจอือเมตตาของท่านกระชากความรู้สึกของผมให้บังเกิดวูบแห่งความสลดใจอย่างแรง ความคิดพุดขึ้นในหัวทันทีว่าเราไม่ได้เป็นใครเลยนะสิถึงไม่มีสิทธิ์จําได้นึกออกไหมครับถ้าเราเป็นใครสักคนหนึ่งจริงๆทำไมถึงไม่รู้ตัวละ่ะถ้าเราเป็นใครสักคนหนึ่งจริงๆทำไมถึงเหลือแต่ใครอีกคนที่ไม่รู้จักตัวเองจาตัวเองไม่ได้